ทวนความหมายและกระบวนการเกิดของฉันทาตัวอย่างเรื่องต้นไม้ที่งอกงามและภาวะจิตที่น้อมโน้มไปสู่สิ่งดีงามโดยไม่มีความรู้สึกนึกคิดเกี่ยวกับตัวตนหรือความอยากเสพสวยเวทนาเข้าไปเกี่ยวข้องแทรกแซงซึ่งได้พูดไว้เพื่อเป็นเครื่องนําทางเข้าสู่ความเข้าใจเกี่ยวกับเมตตานั้น ก็คืออธิบายความหมายของฉันทะนี่เองเมตตาเริ่มทำงานด้วยฉันทะและมีขอบเขตจำกัดเฉพาะในกรณีที่เกี่ยวกับคนและสัตว์เท่านั้นส่วนฉันทะเกี่ยวข้องกับทุกสิ่งทุกอย่างดังนั้นการพูดเรื่องฉันทะจึงเป็นการพูดในเรื่องที่ครอบกลุมกว้างขวางออกไปเท่าที่กล่าวมานี้ก็ควรสรุปความหมายของฉันทะได้อีกครั้งหนึ่งว่าฉันทะ คือภาวะจิตที่ยินดีพอใจตลอดจนถึงต้องการให้เกิดมีความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายตามสภาวะที่ควรจะเป็นจะมีของมันความต้องการเพื่อความดีงามตามสภาวะของสิ่งนั้นนนเองความอยากให้ดีงามสมบูรณ์เต็มตามสภาวะของสิ่งนั้นนั้นตามที่มันควรจะเป็นของมันหรือจะว่า ต้องการความดำรงอยู่ด้วยดีของสิ่งทั้งหลายในอุดมสภาวะของมันก็ได้พูดยากให้เห็นออกไปห ล, หลายๆแง่ว่าความยินดีในภาวะดีงามหรือในความเป็นสิ่งดีของสิ่งที่ดีนั้นๆความต้องการให้สิ่งทั้งหลายดำรงอยู่ในภาวะที่ดีที่ถูกต้องที่งดงามที่งอกงามที่เรียบร้อยที่สุขสมบูรณ์ของมัน หรือให้ภาวะที่ดีที่ถูกต้องสมบูรณ์อย่างนั้นเกิดมีเป็นจริงขึ้นความหมายนี้รวมไปถึงว่าถ้าภาวะดีงามสมบูรณ์นั้นยังไม่มีหรือสิ่งนั้นๆยังไม่เป็นอย่างนั้นก็ต้องการทำให้มีให้เป็นอย่างนั้นด้วยตลอดจนต้องการให้เกิดผลดีที่ตรงไปตรงมาตามเหตุปัจจัยของมันไม่ใช่ผลดีตามความสมอยากเกี่ยตัวตนของเรา สำหรับผู้มีภาวะจิตหรือคุณธรรมข้อนี้สมมุติว่าเขาไปเห็นพื้นเรือนที่เปื้อนเปะจอสถานที่สาธารณะที่รกรุงรังโต๊ะของห้องเรียนที่ออกไปตั้งเกะกะขาหลุดอยู่ข้างทางเดินต้นไม้ที่เหี่ยวแห้งหนทางจราจรที่เป็นหลุมบ่อเด็กที่ผอมโซเสื้อผ้ารุงริ่งคนเจ็บป่วยไม่มีใครดูแลรักษาท้องถิ่นมีโจรขโมยมาก มีการข่มเหงรังแกกันการติดยาเสพติดการพนันแพร่หลายเด็กไม่เอาใจใส่ศึกษาเล่าเรียนมีความหยาบคายกระด้างแตแกแยกไม่สามัคคีและมีการไม่ประพฤติธรรมต่างๆหรือในด้านตรงข้ามเป็นสถานที่ที่สะอาดเรียบร้อยหมู่ม้าที่ร่มรื่นชุมชนที่อยู่สงบบุคคลผู้มีอาการสงบเยือกเย็ยนเอิบอิ่มเป็นต้น เขาจะรู้สึกและมีพฤติกรรมอย่างไรผู้ที่ศึกษาเข้าใจความหมายดังที่เล่ามาแล้วยอมตอบได้ทันทีจะเห็นได้ว่าในขอบเขตความหมายของชันทาน่านนี้คนจะมีความรักและต้องการภาวะที่ดีงามสมบูรณ์ของสิ่งทั้งหลายเช่นรักความสะอาดรักความสงบเรียบร้อยรักธรรมชาติชื่นชมสภาพแวดล้อมที่งดงามรื่นรมสมตามสภาวะของมัน ต้องการคุณธรรมต่างๆคำสมัยใหม่ที่ว่าคุณภาพชีวิตคงจะรวมอยู่ในความหมายเหล่านี้ด้วยหรืออาจจะพูดว่าความหมายอย่างหนึ่งของชันทะาคือความรักในคุณภาพชีวิตก็ได้สำหรับผู้มีชันทะามากคงจะกลายเป็นนักสแสวงหาคุณภาพชีวิตและสแสวงสิ่งที่เป็นคุณค่าแท้ของชีวิตกระมัง ในบาลีจากขุทกานิกายสุตานิบาตท่านเรียกนักสแสวงกุศ ล, ลธรรมว่ากุศลานุเอสีหมายถึงผู้สแสวงอริยมรรคหรือสแสวงนิพพานพระพุทธเจ้าเมื่อเสด็จออกสแสวงสัจธรรมก็ทรงเป็นกิงกุศลานุเอสีหรือกิงกุศลขเวสีแปลว่าผู้สแสวงหาว่าอะไรเป็นกุศลกุศลในกรณีนี้ ฝรั่งมักแปลว่าเด e g กู d จะเห็นไม่ยากว่าในภาวะจิตเช่นนี้ไม่จำเป็นต้องมีความอยากเสพสุขเวทนาหรือมีความนึกคิดที่จะเอามาให้แก่ตัวตนหรือเอาตัวตนเข้าไปครอบครองผูกพันเกี่ยวข้องด้วยเลยนับว่าเป็นกระบวนแห่งกุารทางบริสุทธิ์หรือล้วนๆที่ว่าไม่จำเป็นหมายความว่า ถ้าปล่อยให้ตัญหาแทรกตัวเข้ามาความอยากและนึกคิดอย่างนั้นก็มีได้กระบวนธรรมะเช่นนี้ไม่เกิดขึ้นเองลอยๆแต่จะต้องมีความคิดหรือความรู้ความเข้าใจเข้ามาเกี่ยวข้องเพราะกระแสะที่จะไหลเรื่อยไปโดยไม่ต้องใช้ความคิดก็คือกระแสะอวิชชาตัญหาดังได้กล่าวมาแล้วข้างตน้นส่วนความรักในความดีและสิ่งที่ดี หรือการที่จะกําหนดได้ว่าอะไรเป็นสิ่งที่ดีต้องอาศัยความรู้คุณค่าของสิ่งหรือภาวะนั้นต่อชีวิตหรือรู้ความจริงเกี่ยวกับสิ่งนั้นก่อนมีใช่เพียงกระทบเข้าก็รู้สึกสุขทุกข์แล้วก็เกิดความชอบใจขัดใจต่อไปเองทันทีเหมือนอย่างกระแสฝ่ายอวิชชาตันหาด้วยเหตุนี้ในการที่จะเกิดฉันทาจึงต้องใช้โยนิโสมนสิการ ซึ่งเป็นปัจจัยของปัญญาเข้ามาตัดกระแสะอวิชชาตัญหาเปลี่ยนเป็นกระบวนธรรมดับอวิชชาตัญหาโยนิโสมณสิการที่แปลตามสับว่าทำในใจโดยแยกขายนี้อาจทำหน้าที่เพียงคอยชักนำกระแสะความคิดให้เดินถูกทางเข้าสู่แนวของชันท่าที่เคยปลูกฝังไว้ก่อนแล้ว หรืออาจถึงกับต้องคิดพิจารณาแยกแยะสืบสาวหาเหตุผลอย่างหนักก็ได้เมื่อโยนิโสมนสิการเกิดแล้วกระแสฝายอาวิชาก็หยุดหรือขาดตอนไปเมื่อพิจารณาเห็นคุณค่าของสิ่งนั้นหรือภาวะนั้นรู้ว่านั้นเป็นสิ่งที่ดีแล้วหรือรู้ว่าดีคืออย่างนั้นอย่างนี้แล้วจิตใจจะโน้มน้อมลาดเอ็นพุ่งไปหาสิ่งนั้นเอง กระบวนธรรเดินไปอย่างนี้เป็นธรรมดาของมันไม่ต้องบังคับหรือหาสิ่งใดมาหลอกล่อชักจูงอย่างนี้เรียกว่าเกิดฉันท่าขึ้นในภาวะหรือสิ่งนั้นๆอยากทำให้ดีจากนั้นก็จะเกิดอุตสาหะที่จะทำสิ่งดีงามหรือภาวะที่ดีงามนั้นให้เกิดมีเป็นจริงเป็นจังขึ้นจนกระทั่งสาเร็จ พึงระวังความสับสนระหว่างชันทากับตันหาเราเมื่อเข้าไปสู่สถานที่สะอาดเรียบร้อยร่มรื่นเป็นต้นตันหาก็ทำให้เกิดความยินดีพอใจเช่นเดียวกันแต่ข้อแตกต่างอยู่ที่ว่าตันหายินดีพอใจในสุขเวทนาที่ได้รับจากการได้เห็นได้ยินได้สัมผัสอารมณ์ต่างๆที่ชอบใจในที่นั้นมีใช่ยินดีพอใจในภาวะดีงามโดยตรง การกระทาที่จะเกิดความยินดีของตัณหาก็คือหยุดเพื่อจะได้เสพอารมณ์สวยเวทนาที่ชอบใจได้มากๆอาจลงนั่งหรือนอนหลับไปด้วยความขี้เกียจกระบวนาธรรมะอย่างนี้ในบางกรณีที่เป็นเรื่องเฉพาะท่านอาจซอยขั้นตอนออกไปให้เห็นองค์ธรรมย่อยๆในระหว่างละเอียดชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่นในกีตาคิริสูตรและจังกีสูตรพระพุทธเจ้าทรงแสดงลำดับขั้นตอนความก้าวหน้าในการปฏิบัติธรรมตั้งแต่เกิดศรัทธาจนบรรลุสัจธรรมมีขั้นตอนที่ควรจะกล่าวในที่นี้คือเมื่อฟังธรรมและทรงจำไว้ได้แล้วก็พิจารณาเนื้อความเมื่อพิจารณาเนื้อความก็เข้าใจสมตามธรรมะที่พินิษ เมื่อเข้าใจตามฉันทะก็เกิดเมื่อเกิดชันทะแล้วก็อุสาหะและอื่นๆไปตามลําดับขั้นตอนที่ว่าพิจารณาเนื้อความหรือไตรตรองความคืออุปปริขาก็คือขั้นของโยนิโสมนสิการนั่นเองส่วนการเข้าใจตามธรรมะที่พินิจคือธรรมนิชานัขันติ ก็เป็นผลต่อเนื่องจากการพิจารณาไตรตรองนั้นรวมทั้งสองอย่างเป็นขั้นของการใช้ปัญญากล่าวคือเมื่อพิจารณาเข้าใจมองเห็นสิ่งที่ดีมีคุณค่าเป็นความจริงแล้วจิตก็น้อมไปหาเรียกว่าเป็นฉันทะคือยินดีพอใจต้องการสิ่งหรือภาวะดีงามที่เป็นธรรมเป็นสัจจานั้นพูดรวบรัดให้เหลือแต่ขั้นตอนใหญ่ๆว่า โยนิโสมณสิการนำไปสู่ชันท่าและนำต่อไปสู่อุตสาหะดังเด็กหล่ามาแล้ว